45, สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนุพนสมเด็จพระยาณสาังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอาริยายก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 มีสีคือนาคเกิดจากฟองไข่นาคเกิดจากคันนาคเกิดจากเท่าใครนาคเกิดผุดขึ้นอย่างเทพหรือสัตว์นรกนาคเหล่านี้ประนีตกว่ากันขึ้นไปโดยลําดับนาคโดยมากตัวหมองูและครุกต้องคอยซ่อนกายซ่อนตัวอยู่เสมอแต่นาคบางพวกคิดว่าตนมาเกิดเป็นนาคก็เพราะเมื่อชาติก่อน มีความประพฤติดีบ้างชั่วบ้างทั้งสองอย่างถ้าบัดนี้ประพฤติสุจริตก็จะพึงไปเกิดในสวรรค์ได้ในชาติต่อไปจึงตั้งใจประพฤติสุจริตกายวาจาใจรักษาอุโบสถศีลหน้าผู้รักษาอุโบสถ น, สนี้ย่อมปล่อยกายตามสบายไม่กลัวหมองูหรือครุฑจะจับเหตุที่ให้ไปเกิดเป็นนาคเพราะกรรมสองอย่างดีบ้างชั่วบ้าง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 สุรันหรือที่เรียกว่าครุปก็มีติดมาเป็นคู่กันดังที่ได้กล่าวไว้ในสุปันนัสังยุทธ์ว่ามีกำเนิดสีและประนีตกว่ากันตามลำดับเช่นเดียวกันเหตุที่จะให้ไปเกิดเป็นครุตก็เช่นเดียวกันข้อที่กล่าวไว้เป็นพิเศษก็คืออำนาจจับนาคครุตย่อมจับนาคที่มีกาเนิดเดียวกับตนและที่มีกาเนิดต่ำกว่าได้จะจับนาคที่มีกำเนิดสูงกว่า หาได้ไหมมีอธิบายว่านาคที่ครุฑจับไม่ได้นั้นมีเจ็ดจำพวกคือ 1. นาคที่มีกำเนิดประนีตกว่า 2. นาคประเภทกรรมพลัสดรคือนาคเสนาบดีหรือนาคแม่ทัพ 3. นาคผู้เป็นราชาชื่อว่าตาตารัต 4. นาคผู้อยู่ในสีธันดอนสมุทรทั้งเจ็ดห น้าผู้เร้นอยู่ในแผ่นดิน 6. หน้าผู้เร้นอยู่ในภูเขา 7. น้าผู้อยู่ในวิมานไม่ได้กล่าวว่ารุรักษาอุโบสถเรื่องน้าได้มีกล่าวเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหลายแห่งในบาลีวินัยมหาวัา ได้เล่าถึงพญานาคมาแผ่พังพานเป็นร่มกันฝนถวายพระพุทธเจ้าในปฐมโพธิการความย่อว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุติสุขณะขวงไม้มุจลินคือไม้จิกเจ็ดวันในสมัยนั้นมหาเมฆที่ไม่ใช่การตั้งขึ้นฝนตกพราเจือด้วยลมหนาวทั้งเจ็ดวันนาคราชชื่อว่ามุจลิน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 ผูพอใจแล้วได้ประสบธรรมแล้วเห็นแจ้งอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสํารวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความปราศจากกําหนัดคือความล่วงการทั้งหลายเสยได้เป็นสุขความกําจัดอัสมิมานะคือความถือว่าตัวตนให้หมดได้เป็นสุขอย่างยิ่ง ในอัตรกรถาและในปฐมโพธิกถายังได้กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ลอยถาดทองคือท่านเล่าไว้ว่าในเช้าวันที่จะตรัสรู้ได้ส่งรับข้าวมธุ ป, ปายาธพร้อมทั้งถาดทองจากนางสุชาดาสเสวยแล้วได้ทรงลอยถาดทองไปในแม่น้ำเนรัญจราถาดทองได้ลอยทวนน้ำไปจมลงณนะที่วนตรงพบของกาลนาคราช ผู้กำลังหลับอยู่ถาดทองได้ลงไปซ้อนอยู่ภายใต้ถาดสามถาดที่ตั้งซ้อนกันอยู่แล้วจึงนับเป็นถาดที่สหมายถึงว่าในพัทธกัปนี้ได้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสแล้วสมองค์ปัจจุบันอีกหนึ่งพระองค์รวมเป็นสี่และจะตรัสในอนาคตอีกหนึ่งพระองค์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 จึงตื่นขึ้นครั้งหนึ่งด้วยเสียงกิ๊กของถาที่ลอยมาจมใหม่และตื่นอยู่เพียงครู่เดียวแล้วก็หลับต่อไประยะเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสแต่ละพระองค์นั้นนานมากแต่ดูเหมือนว่าปัญานาานี้จะรู้สึกว่ามาตรัสวันละพระองค์คล้ายกับว่าเดี๋ยวมาตรัสเดี๋ยวมาตรส ด, ดูเร็วมากดูก็น่าคิดว่าความหลับทาให้ไม่รู้การเวลา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 เอราบทฉับพยาบุทกันหาโคตมกะจึงตรัสอนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปยังพญางูทั้งสี่ตระกูลนี้เพื่อกุ้งครองรักษาป้องกันตนในชาดกเรื่องภูริทัตเล่าถึงภูริทัตผู้เป็นโอรสของพญานาคชื่อว่าทต ร, รัตขึ้นมารักษาอุโบสถในแดนมนุษย์ถูกหมองูผู้รู้มนจับงูชื่อว่าอาัมพายณนะ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 เป็นทิดาของพระเจ้ากรุงพาราณสีองค์ก่อนกับนางนาคตั้งแต่อย่างเป็นพระราชโอรสและพระราชบิดาทรงสั่งให้ไปอยูป่ป่าเพราะเกรงจะชิงราชสมบัติพระราชโอรสไปทรงได้นางนาคเป็นพระชายามีโอรสองค์หนึ่งชื่อว่าสาครพรหมทัตธิดาองค์หนึ่งชื่อว่าสมุทชาต่อมาพระราชโอรสได้เสด็จกลับไปครองราชสมบัติ เป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนแล้วนางสมุตรชาได้ไปเป็นอัครมเหสีของราชาแห่งนาคนามว่าทตารัตมีโอรสสี่องค์ผูริทัตเป็นโอรสองค์ที่สพระเจ้ากรุงพาราณสีที่หมอ ง, งูอาลัมพายนะ์นำผูริทัตไปให้แสดงถวายนั้นคือพระเจ้าสาคอนพรมทัต ผู้เป็นเชิดทะของนางสมุตตชามารดาของภูริทัตจึงเป็นพระมาตุระหรือลุงของภูริทัตนั่นเองตอนที่พญาทต ร, รัตนาคราชจะได้นางสมุทตชามีเล่าว่าเมื่อส่งทูตไปขอทีแรกพระเจ้ากรุงพาราณสีผู้เป็นพระราชบิดาไม่ยอมยกให้พญานาคนั้นต้องส่งกองบริวาร น, นาคมาคู่ โดวยวิธีให้มาปรากฏตัวเป็นงูเต็มบ้านเต็มเมืองพาดห้อยย้อยอยู่ในพระราชนิเวศตั้งแต่เบื้องบนลงมาถึงภายใต้ในที่ทั้งปวงพาดห้อยย้อยอยู่ในบ้านของชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายโคดหรือเลื้อยอยู่ตามถนนหนทางทั่วไปพระราชาจึงทรงจำยอมยกพระธิดาให้แก่พญานาคเรื่องชาดกเป็นเรื่องเก่าก่อนพุทธกาลแสดงว่า เรื่องนาค ก, กับมนุษย์สัมพันธ์เกี่ยวดองกันได้มีเล่ามาแต่ดึกดำบรรติดเข้ามาในคำภีพระพุทธศาสนาและยังติดเข้ามาในตำนานโบ ร, ราณของไทยตลอดถึงประเทศใกล้เคียงประวัติของพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์มีเล่า ว, ว่ามีพระมารดาเป็นนางนาคทำานองเดียวกับเรื่องในชาดนี้ในอินเดียบัดนี้ก็ยังมีคนเผานาคมักเข้าใจกันในบัดนี้ว่า เรื่องนาคที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนดังเรื่องนาคที่ว่าจําแลงมาบวชก็น่าจะเป็นคนเผ่านี้เพราะยังมีความเป็นอยู่แบบคนป่าผิดจากมนุษย์ที่จเจริญทั่วไปจึงยังไม่ยอมรับให้เป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังมีข้อหน้าคิดว่าศิลปะวัตถุของไทยบนหลงังคาและส่วนต่างๆของโบสถ์วิหารเป็นต้นเช่นช่อฟ้าไบรากาก็ทาเป็นรูปนาค หรืองูดัดแปลงให้มีศิลปะงดงามเหมาะที่จะประดับในส่วนที่ต้องการนั้นๆจะได้ยกเขานิยมมาจากเรื่องนาคที่มาพาดห้อยย้อยอยู่ยั้วเยืย้อตามประสาราชมนเทียนเป็นต้นในชาดกนี้หรือไม่กองทัพนาคพากันมาทำอย่างนั้นเพื่อขู่ให้กลัวเพื่อจะได้ยอมยกพระธิดาให้นึกดูภาพไปตรงๆก็น่ากลัวแต่เมื่อดูอีกทางหนึ่งก็เป็นทัศนียภาพคือน่าดู ข้อยืนยันก็คือโบสแบบไทยถ้าไม่มีช่อฟ้าใบร์กาเป็นต้นก็ดูไม่งามเพราะไม่มีงูขึ้นไปเลื้อยพาดอยู่จะน่าดูน่าชมก็ต่อเมื่อได้ประกอบสิ่งเหล่านี้แล้วอาจจะเป็นเพราะความเคยชินก็ได้เรื่องนาคเรื่องงูยังแถมติดเข้ามาในตำราทำหลายฝันอีกด้วยเกี่ยวด้วยเรื่องคู่ก็เขาเดียวกับในชารกนี้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 ถ้าได้บวชในพระเหล่านี้ก็จะมีพลานิสงฆ์ให้พ้นชาติกระเหิดนาคไปเกิดเป็นมนุษย์เร็วดังปรารถนาเป็นแน่แท้ครั้นคิดเห็นดังนี้แล้วจึงจำแลงเพศเป็นมานกคือชายหนุ่มน้อยเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบวชภิกษุทั้งหลายก็ให้มานกจำแลงนั้นบนรรญชาอุปสมบทนาคนั้นอยู่ในกุฏิท้ายวัดกับภิกษุรูปหนึ่ง ตกถึงเวลาใกล้รุง่งพิกษุรูปนั้นลงจากกุฏิไปเดินจงกรมในที่แจ้งฝ่ายนาเมื่อพิสุออกไปแล้วก็ปล่อยใจม้อยหลับไปร่างจำแลงก็กลับเป็นงูใหญ่เต็มกุฏิขนาดล้นออกไปทางหน้าต่างพิษุร่วมกุฏิเดินจงกรมพอแล้วกลับขึ้นกุฏิผลักบานประตูจะเข้าไปมองเห็นงูใหญ่นอนกดอยู่เต็มห้องขนดล้นออกไปทางหน้าต่าง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 พวกภิษุได้นำความกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสให้ประชุมพิสุสงฆ์แล้วตรัสแก่นาคว่าเกิดเป็นนาคไม่มีโอกาสที่จะงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ได้แล้วจงไปรักษาอุโบสถในวัน 14-15 ่หาคำและในวัน8ค่ำแห่งปากนั้นเถิดด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ก็จะพ้นจากชาติกำเนิดนาคและจะได้เป็นมนุษย์โดยเร็ว นาคได้ฟังดังนั้นมีทุกเสียใจว่าตนหมดโอกาสที่จะงอกงามในพระธรรมวินัยนี้น้ำตาไหลร้องให้หลีกออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่พิสุท์ทั้งหลายว่ามีเหตุปัจจัยสองประการที่ทำให้นาคปรากฏภาวะของตนคืออยู่ร่วมกับนางนาคผู้มีชาติเสมอกันและปล่อยใจสู่ความหลับ พระองค์ทรงถือเรื่องนี้เป็นเหตุทรงบัญญัติห้ามอุปสมบทสัตว์เดรัจฉานถ้าอุปสมบทแล้วให้นาสนะเสียเรื่องน่าจำแรงมาบทนี้ท่านว่าเป็นต้นเหตุให้ต้องถามในพิธีอุปสมบทว่าเป็นมนุษย์หรือหรือในบาลีว่ามนุษย์โซสซิมีอธิบายว่าเหตุสองประการที่ทําให้น่าปรากฏภาวะของตนดังกล่าวนั้น หมายถึงเหตุที่นาจะต้องปรากฏตัวเป็นงูอยู่เสมอแต่เมื่อกล่าวถึงการเวลาทั้งหมดที่นาจะต้องปรากฏตัวก็มีอยู่5ประการคือหนึ่งเวลาปฏิสนธิ 2. เวลาลอกราบ 3. เวลาอยู่กับนางนาคผู้มีชาติเสมอกัน 4. เวลาปล่อยใจเข้าสู่ความหลับ 5. เวลาตายในเมืองไทย เรียกผู้จะบวชว่านาคกันทั่วไปการทำขวัญเมื่อก่อนบวชก็เรียกว่าทำขวัญ น, นาคผู้ที่จะบวชมีคำเดิมเรียกว่าอุปสำปทาเปกขะแปลว่าผู้เพ่งหรือผู้มุ่งหรือประสงค์อุปสมบทแต่เป็นคำยาวคงเรียกกันไม่ถนัดเรียกว่านาคง่ายกว่าและเมื่อเข้าพิธีอุปสมบท แต่ก่อนมาก็เคยใช้คำว่านาคหรือนาโคเป็นชื่อของผู้บวชในกรรมวาจาด้วยเลยสวดกรรมวาจาในพธิธีอุปสมบทก็เรียกว่าสวดนาคกันมาจนถึงบัดนี้ชื่อผู้บวชว่านาโคนี้คงเอาอย่างมาจากอนุดีกาชื่อวิมติวินโนทนีซึ่งอนุดีกาเป็นคำภีชั้น4รองมาจากดีกาอัตตกถา และบาลีโดยลำดับขึ้นไปในอนุดีกา์นี้วางอุทาหรณ์ไว้ว่าต่างว่าอุปสมปทาเป ค, คะชื่อนาคะอุปชายะชื่อติดสะให้สวดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอาจารในปูนหลังจึงวางแบบกรรมวาจาอุปสมบทให้ใช้ชื่อยือนที่ขนานชื่อผู้บวชว่านาคะทุกครั้งไปทีเดียวอุปชายะมีชื่อมโคตมาก่อนแล้วว่าอย่างไรก็ตามแต่ในพิธีอุปสมบท ใช้ว่าติดสักผู้บวช ท, ที่ใช้ชื่อว่านาคะในพิธีอุปสมบทนั้นครั้นอุปสมบทเสร็จแล้วจึงเปลี่ยนชื่อมคตของนวากาพิขุเป็นอย่างอื่นไปวิธีนี้ได้ใช้มาก่อนสมัยปัจจุบันซึ่งเหมาะในสมัยที่ความรู้ภาษาบาลียังไม่มีแพร่หลายต่อมาเมื่อการศึกษาภาษาบาลีแพร่หลายจึงเลิกใช้เปลี่ยนมาใช้ตั้งชื่อมคตของผู้บวชเฉพาะคนไป ที่เรียกว่าฉายาและใช่ชื่อมคตของอปชายาเฉพาะรูปเหมือนกันเพราะเมื่อมีความรู้ภาษาบาลีหรือที่เรียกว่าภาษามคตก็สามารถผูกคาขึ้นใช้สวดให้ถูกต้องเฉพาะรายรูปไปได้ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงผนวดอยู่ได้ทรงใช้ในคณะธรรมยุทธ์ขึ้นก่อนต่อมา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 ก็ใช้ชื่อของท่านนั้นแหละไม่ต้องตั้งให้ใหม่ท่านพระสารีบุตรเดิมชื่ออุปติสะเป็นอุปชายยะของท่านราธะก็ใช้ชื่อของท่านนั้นเหมือนกันการใช้ชื่อในครั้งพุทธกาลจึงใช้ชื่อเฉพาะของแต่ละบุคคลไม่มีปัญหาเรื่องชื่อต่อเมื่อพระพุทธศาสนาแร่ออกจากชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันมาสู่ประเทศอื่นซึ่งใช้ภาษาต่างออกไป เช่นไทยพมา่ามอนจึงเกิดมีปัญหาเรื่องชื่อขึ้นต้องตั้งขึ้นใหม่ในเวลาอุปสมบทเพราะจะต้องสวดด้วยภาษาบาลีหรือมคตแต่ชะไหนชื่ออุปชัยะจึงใช้ว่าติดสักคล้ายชื่อเดิมของท่านพระสารีบุตรผู้เป็นอุปชัยะองค์แรกส่วนชื่อผู้บวชไม่ใช้ราภะ ซึ่งเป็นองค์แรกที่บวชด้วยวิธีสวดกรรมวาจาไปใช้ว่านาคปัญหานี้ถ้าคิดว่าท่านผู้แต่งวิมติวิโนทนียกคำขึ้นเป็นตัวอย่างเท่านั้นก็หมดปัญหาแต่อย่างไรก็ตามคำว่านาคได้เกี่ยวเข้ามาในพิธีอุปสมบทในคำพีและในเมืองไทยเป็นนันว่านาคได้ฝากชื่อไว้มากคนไทยผู้ได้เคยบวชเรียนมาแล้ว ย่อมได้เคยเป็นนาคมาก่อนด้วยกันเทพพวกคนทัน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 เกิดอาศัยต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมที่หอมทั้งต้นเหตุที่จะให้ไปเกิดในเทพพวกนี้คือประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตและตั้งความปรารถนาว่าตายไปขอให้ไปเกิดร่วมกับเทพพวกคันธภกกายเพราะชอบใจว่าเทพพวกนี้มีอายุยืนมีวรรณะงามมีสุขมาก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 ที่อยู่โคมไฟโดยสรุปเหตุที่ให้ไปเกิดคือประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจและตั้งความปรารถนากับธรรมทานอีกเทพเหล่านี้เกิดอาศัยต้นไม้ดูเป็นพวกรุกเทวดาจะอยู่อย่างไรมีความสุขอย่างไรยังไม่พบอธิบายจัดได้ว่าเป็นสุขติภูมิ เพราะเป็นผลของความดีเรื่องรุกเทวดาปรากฏว่าได้เป็นที่เชื่อกันมานานจนถึงมีเล่าไว้ในนิทานต้นบัญญัติที่เหตุตรัสห้ามพระพิสุตัดต้นไม้ในบาลีวินัยมีเรื่องเล่าว่าพิษุชาวเมืองอาราวีตัดต้นไม้เองบ้างให้ตัดบ้างให้นําไม้ไปสร้างกุฏิบังเอิญพิสุรูปหนึ่ง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 มาเบียดเบียนชีวะซึ่งมีอินสีเดียวพระพุทธเจ้าได้ทรงยกเรื่องนี้ขึ้นตรัสว่าพวกคนยังเข้าใจต้นไม้ว่ามีชีวะจึงตรัสห้ามพิสุพราภูตะคามคือห้ามตัดต้นไม้เป็นต้นในนิทานต้นมัญญัตนี้ได้ความสำคัญอย่างหนึ่งว่าคนในสมัยนั้นมีไม่ใช่น้อยที่เห็นว่าต้นไม้มีชีวะ ชนิดที่มีอินทรีย์เดียวตัดต้นไม้ก็เท่ากับค่าสั์น่าสังเกตว่าข้างต้นเล่าเรื่องเทวดาข้างปลายกล่าวถึงมนุษย์ติเตียนด้วยเขาเชื่อว่าต้นไม้มีชีวะหาได้กล่าวว่าเขาเชื่อว่ามีเทวดาไม่อาจจะมีคนเข้าใจกันอยู่ทั้งสองอย่างก็ได้หรืออาจจะเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันก็ได้คือเทวดา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 ส่วนต้นไม้ที่ว่ามีอินทรีย์เดียวนั้นมีคำอธิบายว่าท่านกล่าวหมายเอากายอินทรีย์หรืออินทรีย์คือกายและคำในบาลีนิทานต้นบัญยัติเรื่องนี้ที่ว่าพวกมนุษย์มีความเข้าใจต้นไม้ว่ามีชีวะนั้นท่านอธิบายว่าคือมีความเข้าใจต้นไม้ว่าเป็นสัตว์คำว่าสัตว์ บาลีว่าสัตตะสันสกฤตว่าสัตว์มักเข้าใจกันว่าหมายถึงผู้มีใจครองเมื่อมีอธิบายว่าต้นไม้มีชีวะคือเป็นสัตว์จึงมีที่เข้าใจว่าต้นไ ม, ม้มีจิตใจแต่คำว่าสัตว์มีคำแปลหลายอย่างแปลว่ามีหรือเป็นเท่านั้นก็ได้ เช่นเดียวกับคําว่าภูตะแปลว่ามีว่าเป็นเรียกคนหรือดิรชานว่าภูตะแปลว่าผู้มีผู้เป็นเรียกต้นไม้ว่าภูตะคามท่านในแปลว่ากองของภูตะเหตุที่เรียกต้นไม้ว่าภูตะคามหรือแม้เรียกว่าสัตว์พึงเห็นได้ว่าเพราะมีกายิญรียซึ่งมีเกิดมีแก่ มีตายเช่นเดียวกับการยินซีของมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานต้องด้วยลักษณะของสัตว์หรือผู้ตะในความหมายว่ามีว่าเป็นอันเป็นชีวะชนิดหนึ่งแต่ไม่พึงเห็นว่าท่านประสงค์ให้เข้าใจว่าต้นไม้มีจิตใจฉะนั้นผู้ที่ถือศีลเว้นจากปานาติบาตคือปลงปานะเช่นสนัมมณเณรอุบาสกอุบาสิกา ตลอดถึงผู้สมาทานศีลห้าจึงตัดต้นไม้ได้ศีลไม่ขาดในวินัยของพิสุจ์เองก็มีพระบัญญัติห้ามปลงปาณะไว้สิกขาบทหนึ่งห้ามตัดโค่นปูตคามไว้อีกสิกขาบทหนึ่งถ้าประสงค์ให้ต้นไม้เป็นปาณะด้วยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้สองสิกขาบทคำว่าปาณนะแปลทับคำลงไปในรูปสันสกฤตว่าสัตว์มีปราณ หมายถึงมีลมหายใจดังที่เรียกว่ามีลมปราณก็ได้มีชีวิตอันหมายถึงมีชีวิตจิตใจก็ได้ทั้งในบาลีนิทานต้นบัญญัตินั่นเองก็อ้างว่าพวกมนุษย์เขาเข้าใจว่าต้นไม้มีชีวะมีอินทรีย์เดียวไม่ได้อ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองหรือทรงเห็นอย่างนั้นจึงทรงบัญญัติห้ามภิกษุในสิ่งที่คนส่วนมากก็ถือกัน ว่าไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมแม้ไม่คิดวิจาร์ไปถึงภาวะที่ลึกซึ้งคิดแต่เพียงเหตุผลสามัญสิ่งที่เขานับถือเป็นเจดีคือเป็นปูชนียวัตถุแม้ตนไม่นับถือก็ไม่กวนไปดูหมิน่นไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะไปตัดทำลายในครั้งพุทธกาลปรากฏในพระสูตรต่างๆว่าในเมืองต่างๆมีเจดีที่เขานับถือกันมากแห่ง เจดีที่กล่าวถึงเหล่านี้หาใช่เป็นเจดีอย่างที่เรียกที่เห็นการในเมืองไทยเรานี้ไม่โดยมากเป็นต้นไม้ถ้าพิสูุไปตัดต้นไม้ที่เป็นเจดีของเขาเข้าคงเกิดวิวาทระหว่างลัทธิศาสนาขึ้นแ น, แน่พระบัญญัติห้าพิสุจ์ตัดต้นไม้จึงเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในคำภีสาบนเล่าว่ามีธรรมอยู่ข้อหนึ่งสำหรับ พวกรุกขเทวดาเรียกว่ารุกขธรรมหรือพฤกษธรรมทำข้อนี้ว่าเมื่อต้นไม้ถูกตัดรุกขเทวดาไม่ทําประทุษจิตคือไม่คิดทําร้ายผู้ตัดและรุกขเทวดาผู้ไม่รักษาทมข้อนี้ย่อมถูกห้ามเข้าเทวดาสันนิบาตรุกขธรรมข้อนี้เปิดโอกาสให้คนตัดต้นไม้สะดวกขึ้น คิดดูว่าถ้าไม่มีรุกธรรมคนอาจตัดต้นไม้ลำบากเพราะจะถูกเทวดาโกรธทำร้ายเอาความขัดข้องของมนุษย์ผู้มีกิจต้องหักร้างทางป่าสร้างบ้านเมืองทำไรนาและตัดใช้ไม้ทำบ้านเรือนเครื่องใช้สอยต่างๆก็จะเกิดขึ้นเทวดาสันนิบาทน่าจะได้ระลึกถึงความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องตัดใช้ไม้จึงได้ตรารูปธรรมข้อนี้ไว้ สำหรับพวกรุกขเทวดาทั้งปวงแต่เมื่อเทวดาพากันรักษารุกธรรมพวกมนุษย์ก็พากันได้ใจตัดต้นไม้เสียหมดเป็นป่าป่าไปไม่สงวนต้นไม้ที่ควรสงวนไม่ปลูกทดแทนให้ควรกันก็เป็นเหตุให้หมดไม้หมดป่าทำให้มนุษย์เองเดือดร้อนอีกมนุษย์สนนิบาตจึงต้องตรารุกธรรมคือ กฎหมายเกี่ยวข้องแก่ต้นไม้สำหรับมนุษย์เพื่อสงวนรักษาต้นไม้และป่าก็พลอยช่วยให้รุกเทวดาพากันอยู่เป็นสุขขึ้นเป็นอันว่าเทวดากับมนุษย์ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเทวดาสันนิบาตออกกฎห้ามรุกเทวดาคิดทำร้ายมนุษย์ผู้ตัดต้นไม้ฝ่ายมนุษย์สันนิบาตออกกฎห้ามมนุษย์ตัดต้นไม้ที่ได้ระบุห้ามไว เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างเคารพปฏิบัติในรุกธรรมดังกล่าวของตนของตนอยู่ก็จะอยู่เป็นสุขด้วยกันทุกฝ่ายบ้านเมืองไรนาสาโทก็จะมีเพราะจะหักร้างทางป่าสร้างทำขึ้นได้ตามต้องการป่าต้นไม้ก็จะมีเพราะจะสงวนไว้และปลูกทดแทนไว้เพียงพอตามต้องการตามที่กล่าวมานี้ได้ว่าไปตรงๆงตามที่ท่านเล่าไว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 ใครจะตัดก็ไม่ว่าอะไรเท่ากับมีรุกธรรมอยู่เหมือนกันและมนุษย์ก็ต้องสร้างรุกธรรมสำหรับมนุษย์เพื่อรักษาป่าต้นไม้